เมื่อขึ้นสูตรสุดท้ายในาศาสนประธานในข้อ125หน้า223ทะวะสสูตรที่เกี่ยวกับการยกย่องสรรเสริญชมเชยพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในคาถาธรรมบทมควักวนานนาว่าบรรดามักทั้งหลาย มักอันประกอบไปด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบทสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายนิพพานประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายเป็นต้นพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดคือคําว่าทางเนี่ยนะยัง ก, ก็ไล่ต่างกับทางบนโลกเนี่ยเขาเรียกว่าทางแข่งชังคะาเนี่ยนะทางแข่ง โบราณเดินด้วยเท้ากันก็เลยเรียกว่าทางเท้านั่นแหละก็พัฒนามาเป็นทางรถทางเรือทางอากาศอันนี้ก็กว่าทางในโลกแล้วก็ย้อนกลับมาอีกว่าไอการเดินทางคืออะไรก็คือกายวาจาและใจกายวาจาใจนี้เป็นหนทางกายวาจาใจบางอย่างเป็นทางไปสู่นรกกายวาจาใจบางอย่างเป็นทางไปสู่เปรตกายวาจาใจบางอย่างเป็นทางไปสู่อสุรกาย กายวาจาใจบางอย่างเป็นทางไปสู่เดรชานกายวาจาใจบางอย่างเป็นทางมาเกิดเป็นมนุษย์กายวาจาใจบางอย่างเป็นทางมาเกิดเป็นเทวดากายวาจาใจบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดในพรหมโลกแต่บรรดาทางทั้งหลายทางเหล่านั้นถ้าประชุมพร้อมด้วยองค์8ดเป็นทางแห่งพระนิพพานทางแห่งพระนิพพานนั้นเป็นทางประเสริฐที่สุดในบรรดาทางทั้งหลาย เพราะว่าทางนี้ผู้ใดเดินตามแล้วทำที่สุดแห่งทุกได้ผู้ใดปฏิบัติตามนี้ดับทุกได้เพราะฉะนั้นทางอันประกอบไปด้วยองค์8จึงเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางที่เรียกว่าไม่มีทางไหนจะดีกว่าทางนี้อีกแล้วถ้าหากว่าทางอื่นกว่านอกจากทางมีองค์8มีอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนทางมีองค์8ปดขณะพระพุทธเจ้ายังยกย่องว่าทางมีองค์8ดเท่านั้นเป็นทางประเสริฐทางสูงสุด ทางเพื่อความดับทุกข์เพราะว่าผู้ใดเดินทางอันประกอบไปด้วยองค์8เขาเหล่านั้นจะพ้นจากนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายใครที่เดินทางอันประกอบไปด้วยองค์8เขาจะพ้นไปจากวัฏฏุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะในบรรดาทางทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกทางอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นทางเพื่อพ้นจากโลกเป็นทางประเสริฐที่สุด ทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นทางที่เป็นโลกุตระทางที่เป็นโลกุตระอันนี้แหละเป็นทางที่ประเสริฐสูงสุดเพราะบุคคลเมื่อเดินตามทางนี้แล้วจะพ้นจากสังสารทุกข์จะพ้นไปจากวัตถทุกข์โดยประการทั้งปวงบรรดาสัจจะทั้งหลายสัจจะนี้มีหลายอย่างด้วยกันเช่นวจีสัจจะพูดคําจริงว่าสัจจะแปลว่าความจริงความจริงมีหลายอย่างความจริงแห่งคําพูดเรียกว่าพูดจริงอย่างหนึ่ง จริงโดยสมมุติสมมุติว่ากษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์เป็นสูตรบัญญัติทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ก็จริงจริงโดยสมมุติโวหารบัญญัตินะจริงโดยบัญญัติก็ เ, เรียกว่าความจริงเหมือนกันลงป่าหน้าอาพี่นอ้องอณาทิศทั้งหลายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็จริงแต่เป็นจริงโดยสมมุติเป็นจริงโดยบัญญัติเป็นจริงโดยโวหารกับว่าทิฏฐิสั จ, จะจริงเหมือนกันจริงในความ ในความเห็นนะเหมือนก็ฝันจริงไหมจริงสิ่งที่เขาฝันจริงไหมไม่แน่โดยมากไม่จริงนะอาจจะคลับคล้ายคลับคลาเป็นไปได้แต่ว่าฝันความฝันจริงไหมบอกจริงฝันจริงแต่สิ่งที่ฝันเห็นอาจจะไม่จริงฉันใดก็ดีความเห็นเนี่ยจริงเขาเชื่ออย่างนั้นจริงเขามีทิฏฐิอย่างนั้นจริงเขามีหลักการอย่างนั้นจริงแต่ว่า ไม่ใช่ความจริงที่สูงสุดเพราะจริงในความเชื่อจริงในความเห็นก็เลยเรียกว่าทิฏฐิสัจเอกสัจจานั่นเรียกว่าปรมัทสัจจะปรมัทสัจจะความจริงแท้ความจริงที่สูงสุดกับสุดท้ายคืออริยสัจจะในบรรดาความจริงเหล่านั้นทั้งหมดความจริงคืออริยสัจ4ี่ประการเป็นความจริงที่ที่ประเสริฐที่สุดอย่างจริงโดยคําพูดเนี่ยพูดจริงไหมแบกจริงอะไรมดียังไง ประเสริฐยังไงบางทีบางทีจริงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรบางอย่างจริงแต่ว่าประโยชน์ไม่มากเลยอย่างหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นจริงไหมบอกจริงครจริงอย่างนี้มีประโยชน์ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างเราก็มาดูว่ามันมีประโยชน์สูงสุดไม่ล่าประเสริฐที่สุดไหมท่านในบรรดาว่าจีสัจจะสมุติสัจจะทิฏิสัจจาปรมาทสัจจะอริยสัจจะประเสริฐที่สุด เพราะผู้ใดกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมอริยามรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเขาจักทาที่สุดแห่งทุกได้เพราะการแทงตลอดอริยาศาศาสัจสี่ประการอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่เห็นอริยาาสัจ4นี่แหละจึงท่องเที่ยวเวียนว่าให้ไปในวัด ต, ตะบัดนี้เพราะเราและเธอทั้งหลายรู้อริยาาสัจแล้วชาติใหม่ต่อไปไม่มีเพราะรู้อริยสัจนั้นอริยาาสัจสี่ประการนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะเมื them, them, ่อใดก็ตามที <Landesregierung> ่เรามีความเห็นมีความรู้มีความเข้าใจว่าอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเราคงไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณาอริยสัจใช่ไหมคงไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณาอริยสัจเพราะอริยสัจเป็นความจริงที่จริงแท้ประเสริฐที่สุดแต่โดยมากเช่อไหมความจริงอันนี้ที่คนไม่ต้องการรับรู้ไม่ต้องการได้ยินได้ฟังแก่แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้ไม่คยได้กับฟังเท่าไหร่ใช่ไหม ชราแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วงี้ไงพูดอย่างงี้ก็จริงไหมบอกจริงแต่อยากฟังไหมไม่ค่อยอยากฟังแสดงว่าก็ไม่ได้อยากรู้ความจริงสักเท่าไหร่เมื่อไหร่จะบรรลุอะเพราะอะไรก็ไม่ค่อยยอมรับความจริงแต่ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าไว้ให้พิจารณาล่างให้คนอื่นฟังมากถ้าพูดผิดกาลนี่แย่แน่นะครับความจริงคือทุกขาริยศาสตร์ความจริงคือสมุทัยอริยศาสตร์เป็นต้นความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่ประเสริฐเพราะผู้ใดรู้ความจริง เหล่านี้แล้วพ้นจากทุกได้แต่ที่สําคัญที่สุดอย่าเบื่อหน่ายในการพิจารณาความจริงเพราะว่าถ้าเรารู้ความจริงเป็นเป็นสิ่งประเสริฐรู้ความจริงเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมถ้ารู้ว่าการรู้ความจริงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกได้เราก็ต้องปลูกฝังให้เราเนี่ยมีความสุขกับการรู้ความจรงิงเหนไมีความสุขกับการรู้ความจริงถ้าถูกหลอกเรายังมีความสุขได้เลยใช่ไหมอ้าแล้วถ้าเขาพูดความจริงแล้วทําไมเราจะมีความสุขบ้างไม่ได้ ก็ปรับทัศนคติสมัยว่าการรู้ความจริงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขแต่ถ้าถูกหลอกเป็นต้นนำมาซึ่งความทุกข์ันถ้ารู้ความจริงเป็นเหตุให้ถึงความสุขอะไรก็ตามที่เป็นความจริงให้มีความสุขในการรู้ความจริงเพราะถ้าเรารู้ความจริงแล้วพ้นจากทุกข์ได้อันสัจจะ4ี่บท4ี่ทุกขทุกขสัจสมุทัยสัจจะนิโรสัจจะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาสัจจะเป็นความจริงแท้นะเป็นบท เป็นความจริงที่สรุปว่าช่วยให้พ้นทุกข์ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีทั้งหมดก็เพื่ออะไรก็เพื่อรู้อริยสัจหรือพุทธะก็แปลว่ารู้อริยสัจหรือทำกิจในอริยรสัจสัมมาสัมพุทธะก็คือรู้อริยสัจโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองแล้วสามารถบัญญัติสัจจะเหล่านี้มาให้ผู้อื่นรู้ด้วยพระสัจจะสี่เป็นบทที่ความจริงทั้งหลายอริยสัจประเสริฐที่สุด มันอย่าเบื่อหน่ายในการพิจารณาความจริ ง, งนะนะบางคนบอกคิดความจริงมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นจริงเข้าจะว่าไงเออใช่ไหมแล้วคิดความจริงมากมากไอ้เดี๋ยวจะเกิดมันจริงขึ้นมาจะว่าไงเอออย่าจริงเลยดีกว่านะเออคิดเรื่องตายมากๆแล้วถ้าเกิดมันตายจริงอจะว่าไงเนี่ยนะกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยอยากรู้ความจริงหลอกตัวเองไป จะตายอยู่แล้วบอกอีกนานไม่ตายง่ายหรอกอายุอีกนานที่ไหนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงจะตายแล้วแล้วบอกว่ายังไม่ตายไม่ตายไม่ตายแหมชอบฟังว่าอีกหน่อยก็ตายแล้วก็อีกหน่อยอีกนานจะตายเนี่ยชอบฟังอันไหนจะชอบฟังว่าอีกนานจะตายซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงนี้ก็ฟังไม่ได้เขามาเมื่อก่อนว่าแปลกใจว่าเออทำไมไม่บรรลุความจริงสักทีทำไมไม่เห็นอริยสัจบอกมันจะไปเห็นได้ยังไงเข้าใจไม่ค่อยจะยอมรับความจริง ถ้าไม่ยอมรับความจริงก็เลยไม่เห็นความจริงเนี่ยนะแต่ก mm. ็มาปรับทัศนคติใหม่ว่าการรู้ความจริงเนี่ยนะความรู้ความจริงเป็นเป็นตัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดเพราะว่าการรู้ความจริงเป็นเหตุให้ข้างหน้าเขาบว่าพระพุทธเจ้าผู้ละกิเลสเป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ผลการรู้ความจริงเนี่ยเป็นเหตุให้ละกิเลสที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้เพราะว่าคําใดที่ไม่จริงเนี่ยนะอาจจะฟังดูดีฟังไพเราะ อย่างถ้อยคําที่เขาชื่นชมด้วยอาจจะจริงในบางด้านแต่ว่าไม่จริงตลอดการไม่จริงเสมอไปเป็นต้นความจริงเหล่านั้นอาจจะฟังแล้วเพล้อแต่ว่านํามาซึ่งน้ําตาตกเป็นต้นนั่นก็เป็นไม่ความจริงที่ดีแท้นั้นความจริงที่ที่รู้อริยสัจนี่จึงเป็นความจริงที่ดีที่แท้เป็นความจริงที่สูงสุดเพราะว่าผู้ที่รู้ความจริงเหล่านี้ปิดอบายทุกขติวินิบาตและนรกได้แต่เราทั้งหลายโดยมากเชื่อ ชอบฟังความจริงเพราะว่าพูดจริงหลายครั้งก็ไม่โกรธก็แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมอีกหน่อยก็ตายแล้วเนาะต่อไปบอกว่าบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งสังคตะธรรมอสังคตะธรรมบรรดาธรรมทั้งหมดทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยากตะธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมมกุศลธรรมมาอภยากตะธรรมมาเป็นต้นในบรรดาธรรมทุกชนิดธรรมตรงนี้แปลว่านิสัตตะนิชีวสุญญาสภาวะแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นต้น ในบรรดาความจริงที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาความจริงที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากะตะเป็นต้นความจริงคือนิพพานประเสริฐที่สุดนะความจริงคือพระนิพพานที่ดับตัณหาที่เพิกถอนตัณหาเป็นที่สางเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรทั้งปวงความจริงคือพระน idas, ิพพานนั้นประเสริฐที่เออขอไปทำทั้งหลายที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นเป็นความเป็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดมหาภูตรูปที่ดี อ่ะสมมมหาภูตารูปที่ดีเนี่ยนะก็ดีกว่ามหาภูตรูปที่เลวมหาภูตรูปทั้งหลายก็ยังสู้เวทนาไม่ได้ใช่ไหมเวทนาที่เป็นสุขดีกว่ามหาภูตนะแล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลดีกว่าในบรรดาธรรมที่เป็นอ่ะกุศลทั้งหลายก็มาแบ่งเป็นปริตะมหคตะและอัปปมามะนะในบรรดาธรรมทั้งหมดธรรมที่ดับสังคตะนี้จึงเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะ นิวานะนิพพานเนี่ยมาจากนิวานะเพราะรม ท, ทั้งหลายทำที่สิ้นราคาทำที่สิ้นตัณหาเป็นธรรมประเสริฐที่สุดเนี่ยนะนิพพานังประมังวทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปัจจพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายที่แทงตลอดท่านนิพพานท่านเหล่านั้นพูดว่าพระนิพพานนี่แหละคือธรรมที่สุดยอดแล้ว นิพพานังประมังวัฏฐานติพุท ธ, ธาเนี่ยนะทุกท่านพูดว่าสุดยอดสูงสุดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับพระนิพพานแล้วแล้คิดดูนะหนึ่งสาสนะเท่าที่พูดเนี่ยมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบท 4, สี่สัจจะประเสริฐที่สุดธรรมทั้งหลายนิพพานประเสริฐที่สุดพ้นอริยสัจวหมเนี่ยมีพ้นเลยเนี่ย ก็สรุปณนะชมอยู่เนี่ยถ้าทุกขสัจควรกําหนดรู้สมุทัยสัจควรละมรรสั์ควรเจริญนิโรธสัจจะควรทำไม่แจ้งก็ชมกลับไปกลับมานั่นแหละก็สรุปว่าชมอริยสัต์สูงสุดวังานอดีมากในบรรดาสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้รู้อริยสัจประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจผู้เอาอริยสัจมาบอกมาสอนเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมที่ ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายดับทุกได้ฉะนั้พระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดทำเป็นที่ดับทุกทำเป็นที่สงบทุกขพระองค์จึงประเสริฐที่สุดเนี่ยนะอันนี้เป็นทะวัสสูตรสูตรที่กล่าวด้วยการยกย่องชมเชยชมเชยทั้งทางทั้งหลายชมเชยสัจจะทั้งหลายชมเชยธรรมทั้งหลายแล้วก็ชมเชยสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าแม้แต่คนเดียว ชมคนที่ควรชมนี่ได้บุญมากนะอันนี้ทำบุญใหญ่มากาชมชมสิ่งที่ควรชมไงชมพระพุทธเจ้าได้บุญมาก <c oughs> อีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เลิศเหล่านี้มีอยู่สามประการสามประการเป็นไฉนบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือว่าสัตว์มีเท้ามากก็ตาม สัตว์ที่มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามศัตว์ที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญาณาสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญติตกล่าวว่าเป็นเลิศประเสริฐยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะเลิศกว่าสัตว์ทั้งหมดเลยนะคือพระพุทธเจ้าเขบอกว่าในบรรดาเขามีการแยกอย่างนี้ว่าในบรรดาอุบาสกทั้งหลายใครประเสริฐที่สุด อนาถาบิณฑิกาประเสริฐที่สุดใบนบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายนางวิสาขาประเสริฐกว่าเพื่อนนะในบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระราชาประเสริฐที่สุดใบนบรรดาเทวดาทั้งหลายท้าจารตุมละ่ะก็เท้ามหาราชทั้งสี่ประเสริฐดาวดึงก็เท้าสักกะประเสริฐยามาก็เท้าสุยามประเสริฐดุสิตก็เท้าสันดุสิตประเสริฐนิ ม, มานารดีก็เท้าสุนิมประเสริฐปารานิมมิตรวัสวัตดีก็เท้า ปรานิมเป็นต้นเป็นผู้ประเสริฐในบรรดาพรหมทั้งหลายเท้ามหาพรหมประเสริฐก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆในบรรดาผู้ประเสริฐเหล่านั้นเนี่ยนะบุคคลที่ประเสริฐเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงประเสริฐกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวลโลกมารโลกพรหมโลกไม่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเลิศกว่าสัตว์เหล่าอื่นด้วยอะไรบ้างอนะด้วยนะเลิศก็อย่างว่านะ เลิศด้วยปุพภจริยาคุณคือเลิศ ก, กว่าบุคคลอื่นในการสร้างบุญมาเลิศ ก, กว่าผู้อื่นในทางสรีระคุณเคยมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ดาวดึงอ่ะนะเทวดาเขาก็บอกเฮ้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวนิดเดียวจะไปนั่งตรงไหนเนาะอาสนะเทวดาเขาใหญ่เหลือกเกินพุทธเจ้าก็นึกแล้วเท้าสักกะต้องนึกยังไงพระองค์ก็เลยเอาโยนสังคติขึ้นไปคลุมแทแท่นพอดีเลย เขากวาถึงจะคลุมอย่างนี้ได้คลุมไปนั่งมุมใดมุมหนึ่งเล็กๆละมินพระ อ, องค์ประทับนั่งพอดีเป๊ะเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอสุรินทราหูก็บอกว่า อ, อยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราไอ้พว ก, อ, พวกอสูรทั้งหลายก็ชมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีเหลือเกินแต่เขานี่ตัวใหญ่เหลือเกินเนี่ยเขบอกว่าน้ําทะเลเนี่ยลึกเท่าแข้งเขาะนะไม่ถึงเขานะลึกเท่าแค่แข้งถ้าเขาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสงสัยต้องโหแทบจะส่องกล้องดูนะเล็กมาก มีอีกครั้งหนึ่งอเขาบอกเขาก็มีการชมพระพุทธเจ้าอยู่นานไหนๆ ก, ก็ไปเฝ้าซะหน่อยเถอะก็เลยเข้าไปเฝ้าไปถึงก็พระพุทธเจ้าประทับนอนแต่ล้วนอนเขาก็มัวแต่ดูข้างล่างพระพุทธเจ้าก็ทักอสุรินทราหูพระเจ้าขา่าก็ลืมตาดูอ้าวพระองค์นอนนะ่ยังใหญ่กว่าเราอีกมั้งนั้นก็คือเพราะพระองค์นี้ประเสริฐกว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะมีผู้ใดประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในด้านศรีระคุณนะ จะกล่าวไปยายทางพระพุทธคุณทั้งหลายเช่นอรหันตคุณเป็นต้นเพราะพระองค์เป็นพระอรหันตยิ่งกว่าพระอรหันตทั้งหลายเป็นพุทธยิ่งกว่าพุทธทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้มีวิชามีจรณนะยิ่งกว่าผู้มีวิชาและจรณนะทั้ทงหลายก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์สูงสุดเป็นบุคคลผู้เลิศประเสริฐที่ที่สุดแล้วแต่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ้อพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณเช่นนั้นก็ยังไม่เที่ยงเลยนะนี่ต่อไป บรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะและอะสังคตะมีอยู่ประมาณเท่าใดวิราคะธรรมคือพระนิพพานเป็นธรรมที่สางแห่งความเมาคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลายัยเป็นที่ดับทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาธรรมทั้งหมดพระนิพพานบรรดเดชกล่าวว่าเป็นธรรมที่เลิ่ประเสริญยอดเยี่ยมกว่าธรรมทั้งหลาย เหล่านั้นดนั้นในบรรดาธรรมทุกอย่างเนี่ยนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรก็ช่างเถิดนิพพานประเสริฐที่สุดนิพพานนี่ท่านบอกว่าปริโยสารเป็นที่สุดของทุกอย่างแล้วว่า ง, งั้นไม่มีอะไรจะสูงสุดประเสริฐกว่านี้อีกแล้วเพราะพระนิพพานเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้แล้วพ้นจากวัตทุกข์โดยประการทั้งปวงทีนี้ในบรรดาหมู่บรรดาคณะบรรดาประชุมชนที่รวมกันจํานวนมากมีประมาณเท่าไหร่ สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระตถาคตเจ้าคือคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุตรเนี่ยนะนะทั้งหมดเนี่ยคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นทักคินยับบุคคลอัญชลีกรณียับบุคคลเนี่ยนะเป็นบุคคลที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นยอดกว่าหมู่คณะในบรรดาประชุมชนทุกชนิดในบรรดา ส, สัตว์จํานวนมากเนี่ยนะบรรดาสัตว์จำนวนมากเนี่ยเช่นในอบายภูมิเนี่มีสัตว์เยอะมากก็มนุษย์ก็ดีกว่าในบรรดาหมู่มนุษย์หมู่เทวดาหมู่พรมทั้งหลายพระอริยาสาวกประเสริฐกว่าเพราะบรรดาอริยาสาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจปฏิบัติถึงความดับทุกข์จึงเป็นผู้ประเสริฐที่ ที่สุดเนี่ยนะในบรรดาคนตาบอดล้านคนคนตาดีคนเดียวประเสริฐกว่าใช่ไหมยังว่าประเสริฐกว่าไหมในบรรดาคนหูหนวกล้านคนคนหูดีคนเดียวดีกว่าแล้วถามว่าในบรรดาคนโง่หมดเลยเนี่ยนะคนฉลาดคนเดียวประเสริฐกว่าชั้นในเพราะคนที่พระอริยสาวกท่านเป็นผู้ที่มีตาคือปัญญาเห็นอริยสัจท่านจึงดีกว่าปุถุชนเพราะเอาปุถุชนทั้งโลกมาเนี่ยนะพระโสดาบันดีกว่าคนเดียวนะดีกว่า พระโสดาบันเป็นล้านคนพระสกทาคามีองค์เดียวดีกว่าพระสกทาคามีเป็นล้านพระอนาคามีองค์เดียวดีกว่าพระอนาคามีเป็นล้านพระอรหันดีกว่าพระอรหันตสาวกทั่วไปเป็นล้านพระสารีบุตรดีกว่าบรรดาพระสารีบุตรเป็นล้านพระปเจกดีกว่าบรรดาพระปเจกเป็นหมื่นล้านพระพุทธเจ้าองค์เดียวดีกว่าพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งหมดเลยเนี่ยนะทีนี้พันสาวกของพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้เลิศด้วยเพราะเป็นผู้ที่ ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้เขยกตรัสรู้ก็ยกปัญญาใช่ไหมยกปัญญาท่านมีปัญญาอย่างเดียวหรือไม่สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัสสนะฮิริโอตตะ ป, ปะเป็นต้นเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้เลิศเนี่ยนะจึงเป็นผู้เลิศพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่า พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมกว่าชาวโลกทั้งปวงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีโทษไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามทำลายและหมู่พระอริยบุคคล8ดของพระพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐรัตนสามประการเหล่านี้ย่อมประเสริฐกว่ารัตนทั้งปวง เรยว่าอะไรนะยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสาเคสวาอย่างรัตนังปณีตังนโนสังมัติทิตาคะเตนะอิธรมปิพุเทเธรัตนังปณิตังเนี่ยนะบอกว่าในบรรดารัตนะแก้วแหวนข้าวของเครื่องใช้ในมนุษย์โลกสิ่งที่ประเสริฐในมนุษย์โลกแก้วแหวนทั้งหลายเนี่ยนะเซ็งเหล่านั้นก็ยังแม้กระทั่งรัตนะแก้วแหวนเป็นต้นในเทวดาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกหรือทรัพย์เครื่องปลื้มใจทุกชนิด บุกสิ่งเหล่านั้นจะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีมีเขาบอกว่ามีแก้วแหวนอันไหนนึกแล้วก็นั่งมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดไปเนี่ยมีได้ไหมแต่คนที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นมีความสุขได้มากมนะได้รับปีติได้รับส ม, ม น, นะเป็นต้นมั้นแก้วที่ยังเอ่อทรัพย์ที่จะทําให้เกิดความปลื้มใจรัตนะที่ทําให้สมประสงค์ทั้งหมดเนี่ยนะเสมอพระพุทธเจ้าไม่มีรัตนะที่ทําให้ถึงความพ้นทุกข์เสมอด้วยพระธรรม ไม่มีรัตนะที่ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เสมอ้วยพระอริยะบุคคลทั้งหลายไม่มีพันพ ร, รัตน์ตรายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดไม่มีรัตนะอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะอันผู้ที่นับถือพระพุทธรัตนะเหล่านี้เนี่ยนะมีบางแห่งนะพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่เป็นอจินไตยพระธรรมของพระองค์ก็เป็นอจินไตยมูพระริยาสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นอจินไตยหมายเขาว่าคิดได้คิดยังไงก็คิดไม่ครบถ้วนผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วิบากจึงเป็นอจินไตยคือนับประมาณไม่ได้ก็ยังสูตรก่อนโน้นเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ไม่ต้องวิสัชนาใช่ไหมว่าผลบุญที่เกิดจากการนับถือพระรัตนตรายนี้ควรจะเท่าไหร่ยอมว่าควรจะเท่าไหร่ดีแม่ เขามาจะถามแล้วโยมมีศรัท ธ, ธาเท่าไหรก่อนอา้อาวอ้ามันก็จ่ายตามระศรัท ธ, ธาละมั้งใช่ไหมตายจ่ายตามศรัท ธ, ธาแล้วก็บอกมีศรัท ธ, ธามากาจะวัดดีอดปัญญากันอีกอะไรมีปัญญาเข้าใจพระคุณเท่าไหร่ก็วัดกันที่ศรัท ธ, ธาและปัญญาพระสารณะทั้งหลายผู้ที่นับถือพระพุทธรัตนะเป็นสาระเป็นต้นเนี่ยนะท่านเจียงบอกว่ามีบุญมากกว่าอะไรสร้างเสนาสนะให้ให้สงจากมาทิศ ท, ทั้งสี่เนี่ยให้ให้แก่สง์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ว่าเง น, น มันเมื่อใดที่เราสร้างศรัทธาที่มีต่อพระรัตนะตรัยเนี่ยนะศรัทธานี้เนี่ยเป็นเป็นธรรมที่อย่างลงสู่อมะตะนิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะว่าผู้ใดที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาก็เชื่อว่ามีส่วนที่จะได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่ล้มเลิกโครงการซะก่อนนะนะท่าเลิกก่อนแล้วก็ของใครก็ของใครแล้วกันนะเพราะว่ามันเปลี่ยนการนับถือได้ สมัยก่อนเนี่ยนะสุนัขขตาิชวีบุตรเลื่อมใส่พระพุทธเจ้ามากเอาไปเอามาก็มิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไปเห็นนักบวชแก้ผ้าเขานึกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปแต่ว่าสรุปว่าจะยังไงก็ตามการที่สุนัขขตาิชวีบุตรได้เลื่อมใส่นั่นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะพระเทวทัพเนี่ยนะเกิดมาเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ขนาดนั้นท่านก็ยังมีบางครั้งคราวที่เลื่อมสายใน พระพุทธเจ้าความเลื่อมใสเหล่านั้นยังช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เป็นศัตรูกับบัณฑิตก็ยังดีกว่ามีมิเป็นคนพาลอยู่ดีเนี่ยนะทะเลาะกับท่านในที่สุดท่านก็วางแผนช่วยเราจนได้ใช่ไหมพยามานเนี่ยนะได้ดีก็เพราะมีเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้านะในที่สุดท่านก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลตอนท้ายนะท่านก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ว่าไอตอนเป็นศัตรูนี่สินะ เรามาดูต่อไปว่าหมู่อริยะบุคคลแปที่เป็นหมู่สมณะเพียงนางดอกพุทุมดอกบัวนะพระธรรมอันประเสริฐที่บัณฑิตทั้งหลายสักการะบูชาพระพุทธเจ้าผู้สามารถฝึกนรชนได้รัตตนะสามประการเหล่านี้ประเสริฐยิ่งกว่าชาวโลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าสิ่งใดอีกแล้วเนี่ยนะ ก็สงสัยพุทธพจน์เหล่านี้นะทำให้ประชาชนคนไทยโบราณเนี่ยนะยุค ก, ก่อนๆเขาเลื่อมสายในพระรัตนตรายอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่าทุ่มเทมากถ้าเทียบกับสมัยนี้สมัยก่อนเขาเลื่อมสายกว่ามากกว่าเยอะเนี่ยนะเพาะเขาเห็นคุณของพระรัตนาตรายเขารู้จักคุณของพระรัตนาตรายเขาทราบซึ่งในพระคุณของพระรัตนตรยัยนั้นะก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีศรัทธาตั้งมั่น่ะนะ คือคือสมมติว่าถ้ายังไม่ค่อยมีศรัทธาก็อธิษฐานให้มันมีกันละกันปลูกมันขึ้นเรื่อยๆสร้างมันขึ้นเรื่อยๆก็รู้ว่ามันน้อยก็ทํำยังไงได้ก็จะต้องเพิ่มเข้าไปให้รู้ว่าศรัทธาที่มีต่อพระองค์นี่เป็นสาระศรัทธาต่อมีศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสาระบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงสาระเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้ท่านเหล่านั้นเพียงดังดอกบัวทําไมจึงยกย่องดอกบัวละเกิน เพราะว่าดอกบัวเป็นสิ่งที่ไม่เปื้อนด้วยน้ำและโครนตมเมื่อโผลขึ้นพ้นน้ำบุคคลผู้เกิดขึ้นมาในโลกก็ฉะ น, นั้นเนี่ยนะเมื่อพ้นจากเปลือกตมคือวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งหลายจึงบุคคลจึงเป็นบุคคลที่เสมอด้วยดอกบัวคือมีกลิ่นหอมด้วยศีลเป็นต้นนั่นเองพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทำทั้งปวงที่ไม่มีความเร่าร้อนด้วยราคะเป็นต้น และพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐรัตนสามประการเหล่านั้นย่อมประเสริฐกว่ารัตนทั้งปวงนะจะมีอะไรนาะประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะเหล่ามารมีพระนามตามความเป็นจริงพระองค์ผู้ปลอดภัยในวัตฏะพระองค์ปกครองชาวโลกด้วยคุณทั้งปวงศัจธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและหมู่พระอริยสงฆ์ที่วินยูชนทั้งหลาย บูชาเป็นนิตรัตะนะสามประการเหล่านั้นประเสริฐยิ่งกว่าชาวโลกพระพุทธเจ้าผู้เห็นพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งการเกิดพระองค์ผู้อนุเคราะห์คือมีกรุณาเกือ้อกูลต่อสัตว์โลกพระองค์ทราบอริยมรรคซึ่งเป็นหนทางที่ไปสู่พระนิพพานพระอริยะบุคคลเหล่าใดพระอริยะบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธสาวกเหล่าใดก็ตามทั้งหมด ท่านเหล่านั้นเคยข้ามโอคะสีก็ตามอดีต ท, ที่ผ่านมาภาะรยะทั้งมวลบุคคลเหล่าใดจกข้ามคือพระรยะที่จะมีต่อไปในอนาคตจนถึงว่าผู้ใดที่กําลังเป็นภา ร, ะรยะอยู่ในปัจจุบันที่กําลังข้ามโอคะสี่อยู่ก็ตามบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดล้วนข้ามด้วยหนทางคืออริยมรรคนี่แลฟังอย่างนี้เนี่ยจะเห็นชัดหนึงว่าการปฏิบัติตามอริยมรรคเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด เอารู้ได้ยังไงว่าไม่ผิดก็รู้ได้สิก็เนื่องจากว่าพระอริยะบุคคลทั้งมวลในอดีตพระอริยะบุคคลไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นข้ามวัฏะด้วยอริยมรรคพระพุทธเจ้าที่จะมีองค์ต่อๆ่อไปในอนาคตพร้อมทั้งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพุทธสาวกเหล่านั้นทั้งทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่จะข้ามด้วยอริยมรรคพระพุทธเจ้าองค์นี้พระสาวกทั้งมวลของพระองค์ พระปเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ข้ามด้วยอริยมรรคพันอริยมรรคนี้จึงจึงเป็นธรรมที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาทางทั้งหลายเพราะเป็นทางที่สามารถข้ามโอคะกันดารข้ามวั ต, ตะกันดารข้ามเรียกว่ากันดารเรียกว่าความแห้งแ้งสารพัดชนิดได้ สัตว์โลกผู้มุ่งหวังความบริสุทธิ์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมนอมนำม ก, การพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเช่นนั้นผู้ประเสริฐสุดในหมูเทวดาและมนุษย์ใครก็ตามต้องการถึงความบริสุทธิ์ใครก็ตามต้องการบรรลุพระนิพพานผู้ที่ต้องการพระนิพพานโดยที่เข้าใจพระนิพพานดีบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่นอบน้อมพระพุทธเจ้านมะบวกการะนมะแปลว่านอบน้อมการะแปลว่าทำ นมาสการแปลว่าการทําความนอบน้อมเนี่ยนะนอบน้อมบูชาแปลว่านอมน้อมด้วยกายวาจาใจาต่อพระพุทธเจ้าบูชาด้วยอมิตรและการปฏิบัติต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผ่านไปยี่สบแปสูตรโอ้นี่เรียนเรียนเยอะมากเนี่ยนะสรุป สรุปในศาสนาประฐานว่าโลกิยะสูตรเนี่ยนะสูตรที่เกี่ยวกับโลกิยะเนี่ยแสดงด้วยสองอย่างโลกิยะสูตรที่จริงก็อะไรนะจะให้ดูนิดหนึ่งเปิดหน้าห5 1เอาไว้แล้วก็เปิดอีกหน้าหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เปิดหน้า225อนยะ่าอ่าน3าหน้านี้พร้อมกันอ่านในใจนะ คือโลกิยสูตรเนี่ยนะโลกิยสูตรในหน้า194ใช่ไหมโลกิยสูตรเนี่ยถ้าจะอธิบายเอาอะไรมาอธิบายก็บอกว่าเอาสูตรโน้นในหน้า150คือสังกิเลสะภาคิยสูตรกับวาสนาภาคิยสูตรเอามาอาธิบายวา่อาอาธิบายโลกิยสูตรเพราะโลกิยสูตรสูตรที่กล่าวถึงโลกิยะก็มีมีอยู่2 อ, อย่างใช่ไหมโลกิยสูตรมีอยู่สองอย่างอย่างที่เป็นบุญกับอย่างที่เป็นบาป อย่างที่เป็นบาปก็ต้องอธิบายด้วยสังกิเลสะภาคยะคือสังกิเลสคือตัณหาสังกิเลคือทุจริตสังกิเลสคือทิฏฐิถ้าเป็นฝ่ายบุญก็อธิบายด้วยด้วยวาสนาภาคยะสูตรเนี่ยนะโลกุตระสูตรก็ต้องแสดงด้วยทัศนภาคยะสูตรภาวนาภาคยะสูตรและอเสขาภาคยะสูตรทัศน์ก็โสดาปฏิมาภาวนาก็มักที่เหลือ ส่วนอเสขะก็คือพผ้ า, ห, าหันท่านจะอธิบายโลกุตรธรรมก็ต้องเอาโสดาปิมักเป็นต้นไปเป็นเครื่องอธิบายสำหรับสูตรที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสองสูตรเหล่านั้นก็ถ้าก็เอาทั้งหมดนะเอาทั้งสังกิเลสวาสนะาทัศน์ภาวนาอาเสขะมาเครื่องอธิบายทั้งโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะอันนี้คือแสดงถึงหลักการท่าจะขยายความอันนท่านท่านพระมหากัจยนะนี้เป็นเอกทัาคคะด้านไหน การโย่อใจความที่ย่อๆท่านขยายได้ท่านเอาหลักการอะไรมาขยายสมมติถ้าฟังสองคำคือโลภิยะกับโลภุตระเนี่ยท่านก็เอาสังกิเลสะภาคิยะเอาวาาัชนะภาคิยะเอาทัศนะเอาภาวนาเอาอาศขาภาคิยะสูตรเอาโครงสร้าง5สูตรนี้มาอธิบายก็สิบชั่วโมงก็ไม่จบเพราะนั้นถามว่าเอาย่อเรื่องเๆย่อให้พิสิานได้ไหมก็ได้อยู่แล้วมันได้สองคำมาโลกิยะกับโลกุตระท่านขยายเป็นหสูตรแล้วหสูตรเหล่านี้เนี่ยนะ ก็เอาพุทธพจน์มาใสา่มาใสา่มาใสา่ก็จะได้ข้อความเยอะแยะไปหมดเลยเนะเรียกว่าหลักการเรียงความเหมืนกันเถอะหลักการเรียงความแล้วก็ไม่ขัดกับพุทธนพ์พด้วยอ่ะสูตรใดเห็นส่วนที่เป็นสังกิเลสะภาคยะที่จริงน่าจะเป็นนะสูตรใดเป็นส่วนที่เป็นสังกิเลสะภาคยะหรือว่าสนาภาคยะก็พึงแสดงว่าเป็นโลกิยสูตรด้วยส่วนนั้นๆคือเรารู้เลยนะถ้าบอกว่า พูดแต่เรื่องเรื่องความเศร้าหมองก็เรื่องบุญและเรื่องบุญก็เรื่องบุญแบบธรรมดาที่ไม่ใช่บุญสูงสุดเนี่ยนะก็แสดงว่าเป็นยังอยู่ในระดับล่างๆคือโลกุยะส่วนสูตรใดอยู่ในส่วนที่เป็นทัศน์ภาวนาหรืออาเสขาให้รู้เท่ว่าพระธรรมเหล่านั้นอยู่ในส่วนโลกุตระเครียกว่าเอาโลกุยะกับโลกุตระเราดูได้ยังไงว่าพุทธพจน์เหล่านี้อยู่ในฝ่ายโลกุยะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็น โลกุตระก็เอาพระธรรมเหล่านี้เอาห้าสูตรเรานี้มามาแจกก็จะเห็นชัดแล้ววาสนาภาคย์สูตรการแสดงเรื่องบุญวาสนาเอาไว้เพื่อการละสูตรที่เป็นสังกิเลสนะบุญแสดงบุญเพื่อละบาปแสดง เ, เรื่องบุญทั้งหลายก็เพื่อละความเศร้าหมองสังกิเลสภาคยาับแปลว่าความเศร้าหมองเพราะ บ, บุญทั้งหลายทั้งตทางคาประหารและวิข์พระนาประหารก็เพื่อไว้ละความ เศ้ามองทั้งหลาย